จะกล่าวว่าว่าด้วยหมวด5อาบัตมี5กองอาบัตมี5วินีตวัตถุมี5อนันตริยกรรมมี5บุคคลที่แน่นอนมี5อาบัตมีการตัดเป็นวินัยกรรมมี5ต้องอาบัตด้วยอาการ5อาบัตเพราะมุสาว่าเป็นปัจจัยมี5ภิกษุไม่เข้ากรรมด้วยอาการ5อย่างคือ1ตนเองไม่ทํากรรม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 หเมื่อสงฆ์ทกรรมเสร็จแล้วก็เห็นว่าเป็นธรรมกิจ5อย่างสมควรแก่ภิกษุผู้เธอเที่ยวบิณฑบาตคือ 1. เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา 2. ชันคณะโพชนะได้ 3. ฉชันปรามประโพชนะได้ 4. การไม่ต้องอธิษฐาน 5. การไม่ต้องวิกลับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หจะเป็นภิกษุเลวซามก็ดี จะเป็นภิกษุมีธรรมอันไม่กำเเิบก็ดีย่อมถูกระแวงถูกเรังเกียจคือหมีหญิงแพรสยาเป็นโครจร 2. มีหญิงไม้เป็นโครจรสมีสาวเือเป็นโครจร 4. มีบันดอะเป็นโครจร 5. มีภิกษุณีเป็นโครจรน้ำมันมีห้าชนิดคือ 1. น้ำมันงา 2. น้ำมันมเมล็ดพันผักกาดสน้ำมันมะสาง 4. น้ำมันละหุห้น้ำมันเปวนเลวสัตว์มันเหลวสัตว์มีห้าชนิดคือ 1. มันเหลวหมีสองมันเหลวปลา 3. มันเหลวปลาฉลาม 4. มันเหลวหมู 5. มันเหลวลาความเสื่อมมีห้าอย่างคือ 1. ความเสื่อมญาติค<ส annually S> 2. ความเ ส, สื่อมโภอคสมบัติ 3. ความเสื่อมคือโรค 4. ความเสื่อมศีล หความเสื่อมทิฏฐิความถึงพร้อมมี5อย่างคือ 1. ญาติสัมปทาความถึงพร้อมแห่งญาติ 2. องโภคสัมปทาความถึงพร้อมแห่งโภคสมบัติ 3. อโรูโขยะสัมปทาความถึงพร้อมแห่งความไม่มีโรค 4. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีล 5. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ นิสัยระ ง, งับจากพระอุปชามี5ข้อคือ 1. พระอุปชาหลีกไป 2. พระอุปชาศึก 3. พระอุปชามรณภาพ 4. พระอุปชาไปเข้ารีดเดรที 5. พระอุปชาสั่งบังคับบุคคล5าจำพวกไม่ควรให้อุปสมบทคือ 1. มีการบกพร่อง 2. มีอวัยวะบกพร่อง 3. มมีวัตถุวิบัติ สีมีการกระทำอันเสียหาย 5. ไม่บริบูรณ์ผ้าบางสกุลมีห้าอย่างคือ 1. ผ้าตกที่ป่าช้า 2. ผ้าตกที่ตลาด 3. ผ้าหนูกัด 4. ผ้าปลวกกัด 5. ผ้าถูกไฟไหม้ผ้าบางสกุลแม่อื่นอีกห้าอย่างคือ 1. ผ้าที่โคกัด 2. ผ้าที่แพะกัด 3. ผ้าที่ห่มสถูป 4. ผ้าที่เขาทิ้งในสถานที่อภิเศก 5. ผ้าที่เขานำไปสู่ป่าช้าแล้วนำกลับมาอาวหารมีห้าอย่างคือ 1. เทยาวหาร 2. ประัยหาวหาร 3. ปริกับปาวหาร 4. ปฏิฉันนาวหาร 5. กูษาวหารมหาโจนที่มีปรากฏอยู่ในโลกมีห้าจำพวก สิ่งของที่ไม่ควรจ่ายมีห้าอย่างสิ่งของที่ไม่ควรแบ่งมีห้าอย่างอาบัติที่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิตมีห้าอย่างอาบัติที่เกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิตมีห้าอย่างอาบัติที่เป็นเทศนาคามินีมีห้าอย่างสงมีห้าจำพวกปาติโมขุเทศมีห้าอย่างในปัจจันตชนบททุกแห่ง คณะมีพระวินัยทอนครบห้าเพิ่งให้ครูบุตรอุปสมบทได้ในการกรานกรถินมีอนิสงฆ์ห้าอย่างกรรมมีห้าอย่างอาบัตมีห้าอย่างจนกระทั่งสงสวนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการห้าอย่างต้องอาบัติปราชิกภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ให้ด้วยอาการห้าอย่างต้องอาบาัติทูลและใจ ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ให้ด้วยอาการห้าอย่างต้องอาบัตทุกกฏภิกษุไม่ควรบริโภคอาการปิยะวัตถุห้าอย่างคือหนึ่งของที่เขาไม่ให้2ไม่ทราบสเป็นอากรารปิยะสยังไม่ได้รับประเคนหไม่ได้ทําให้เป็นเดนภิกษุควรบริโภคกัปิยะวัตถุห้าอย่างคือ 1. ของที่เขาให้สองทราบแล้ว 3เป็นกัปปิยะ 4. ี่ราประเคแล้ว 5. ทําทให้เป็นเดนแล้วการให้ที่ไม่จัดเป็นบุญแต่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นบุญ5อย่างคือ 1. ให้น้ําเมา2ให้มโหรพสพ3ให้สตรี 4. ให้โคผู้หให้รูปภาพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากมี5อย่างคือ 1. ราคาเกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก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 สสั่งสมกรรมที่เป็นไปเพื่อเกิดความเลื่อมใส 5. หลังจากตายแล้วย่องไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์การกวาดแม่อื่นอีกก็มีอนิสง์ห้าอย่างคือ 1. จิตของตนเลื่อมใส 2. จิตของผู้อื่นเลื่อมใส 3. เทวดาชื่นชม 4. เป็นอันทำตามคำสั่งสอนของพระศาสนา 5. ชนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่าง ว่าด้วยองคุณของพระวินัยทรพระวินัยทรประกอบด้วยองค์หนับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของตน 2. ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น 3. ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของตนทั้งไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่นแล้วปรับอาบัต 4. ปรับอาบัตโดยไม่ชอบธรรม 5. ปรับอาบัตไม่ตามปฏิญญา พระวินัยทอนประกอบด้วยองค์ห้านับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. กำหนดที่สุดท้อยคำของตน 2. กำหนดที่สุดท้อยคำของผู้อื่น 3. กำหนดที่สุดท้อยคำของตนทั้งกำหนดที่สุดท้อยคำของผู้อื่นแล้วปรับอาบัต f 4. ปรับอาบัตตามธรรม 5. ปรับอาบัตตามปฏิญญาพระวินัยทอนประกอบแม่ด้วยองค์อื่นอีกหณนับว่าเป็นผู้โง่เขลา คือหไม่รู้อาบัตส 2. ไม่รู้มูลของอาบัตสาไม่รู้เหตุเกิดอาบัตสีไม่รู้การระงับอาบัตห้ไม่รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอาบัตพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์ห้านับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้มูลของอาบัตสารู้เหตุเกิดอาบัตสีรู้การระงับอาบัต ห้ารู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระ ง, งับอาบัติพระวิไนทรวีประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีกห้านับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือหนึ่งไม่รู้อธิกรณ์ 2. ไม่รู้มูลของอธิกรณ์สไม่รู้เหตุเกิดอธิกรณ์สไม่รู้การระ ง, งับอธิกรณ์ 5. ไม่รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระ ง, งับอธิกรณ์พระวินทรวประกอบด้วยองค์หนับว่าเป็นผู้ฉลาด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 ห้าไม่รู้ถ้อยคำแห่งอนุสนธิพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์ห้านับว่าเป็นผู้ฉลาดคคอหนึ่งรู้วัตถุสองรู้เหตุเขามูลสามรู้บัญญัติสี่รู้อนุบัญญัติห้ารู้ถ้อยคำแห่งอนุสนธิพระวินัยทอนประกอบแม่ด้วยองค์อื่นอีกห้านับว่าเป็นผู้โง่เขลาเคอหนึ่งไม่รู้ยติสองไม่รู้ตั้งยติ สมไม่ฉลาดในเบื้องต้นสีไม่ฉลาดในเบื้องปลายหาไม่รู้การพระวินัยทรประกอบด้วยองค์ห้านับว่าเป็นผู้ฉลาดคือหนึ่งรู้ยติสองรู้ตั้งยติสฉลาดในเบื้องต้นสฉลาดในเบื้องปลาย5รู้การพระวินัยธรประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีกห้านับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือหนึ่งไม่รู้อาบัติและอนาบัต สองไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักสามไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือสี่ไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบห้าไม่ยึดถือไม่ใส่ใจไม่คข้ครวนถ้อยคำที่สืบต่อจากอาจารย์ให้ดีพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์ห้านับว่าเป็นผู้ฉลาดคือหนึ่งรู้อาบัตและอนาบัตสองรู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก สรู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือสรู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบหยึดถือใส่ใจใคร่ครวนถ้อยคําที่สืบต่อจากอาจารย์ด้วยดีพระวินัยทอนประกอบแม่ด้วยองค์อื่นอีกห้านับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือหนึ่งไม่รู้อาบัตและอนาบัตสองไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักสไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ สี่ไม่รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบห้าจำปาติโมกทั้งสองโดยพิสดารไม่ดีจำแนกไม่ดีไม่คล่องแคล่ววินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะไม่ดีพระวินัยทรประกอบด้วยองค์ห้านับว่าเป็นผู้ฉลาดคือหนึ่งรู้อาบัตและอนาบัตสองรู้อาบัตเบาและอาบัตหนักสรู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ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 สี่ไม่รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบห้าไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์พระวินัยทรประกอบด้วยองค์หนับว่าเป็นผู้ฉลาดคือหนึ่งรู้อาบัตและอนาบัตสองรู้อาบัตเบาและอาบัตหนักสามรู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือสี่รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบห้าฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ ว่าด้วยภิกษุอยู่ป่าเป็นต้นภิกษุผู้ถืออยู่ป่ามีห้าจำพวกคือ 1. เพราะเป็นผู้โง่เขลางมงายจึงอยู่ป่า 2. เป็นผู้ปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำจึงอยู่ป่าสเพราะมัวเมาจิตฟุ้งซ่านจึงอยู่ป่า 4. เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญจึงอยู่ป่าห เพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษขัดเกลว์ความเงียบสงัดและเพราะอาศัยว่าการอยู่ป่ามีประโยชน์ด้วยการปฏิบัติอันงามนี้จึงอยู่ป่าภิกษุผู้ถือเที่ยวบินธบาตมีห้าจำพวกละถึงภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลมีห้าจำพวกภิกษุผู้ถืออยู่โคนไม้มีห้าจำพวกภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้ามีห้าจำพวก ภิกษุผู้ถืออยู่กลางแจ้งมีห้าจำพวกภิกษุผู้ถือผ้าสามผืนมีห้าจำพวกภิกษุผู้ถือเที่ยวบินบาตตามลำดับมีห้าจำพวกภิกษุผู้ถือการนั่งมีห้าจำพวกภิกษุผู้ถืออยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้มีห้าจำพวกภิกษุผู้ถือนั่งฉันน้นณอาสนะแห่งเดียวมีห้าจำพวกภิกษุผู้ถือการห้ามพัด ท, ที่เขานำมาถวาย เมื่อภายหลังมีห้าจำพวกภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรมีห้าจำพวกคือ 1. เพราะเป็นผู้โง่เขลางมงายจึงถือการฉันเฉพาะในบาตรสเป็นผู้ปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงำจึงถือการฉันเฉพาะในบาตรสเพราะมัวเมาจิตฟุ้งซ่านจึงถือการฉันเฉพาะในบาตรสเพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้าสันเสริญจึงถือการฉันเฉพาะในบาศห้เพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษขัดเกลวความเงียบสงัดและเพราะอาศัยว่าการฉันเฉพาะในบาทมีประโยชน์ด้วยการปฏิบัติอันงามนี้จึงถือการฉันเฉพาะในบาทว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าจะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยไม่ได้ คือหไม่รู้อุโบสถ2ไม่รู้อุโบสถกรรมสไม่รู้ปาติโมศรีไม่รู้ปาติโมขุเทศ5มีพรรษาหย่อน5ภิกษุผู้ประกอบด้องค์หไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือ 1. รู้อุโบสถ2รู้อุโบสถกรรม3รู้ปาติโมศรี 4. รู้ปาติโมขุเทศ5มีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกินห ภิกษุผู้ประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5ไม่เถรนิสัยแล้วไม่ควรอยู่คือ 1. ไม่รู้ปวารณา 2. ไม่รู้ปวารณากรรมสไม่รู้ปาติโมส 4. ไม่รู้ปาติโมคุเทศ 5. มีพัรสาหย่อนหภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หไม่เถรนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือ 1. รู้ปวารณา 2. รู้ปวารณากรรมสรู้ปาติโม สี่รู้ปฏิโมขุเทศ5มีพรรษาครบหหรือมีพรรษาเกินหภิกษุผู้ประกอบแม่ด้วยองค์อื่นอีกห้าไม่ถือนิสัยแล้วไม่ควรอยู่คือ1ไม่รู้อาบัตและอนาบัตสอไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักสมไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือสไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบ5มีพรรษาหย่อนห้า ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5ไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือ 1. รู้อาบัตและอนาบัติ2รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก3รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ4รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วยาห้ามีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกิน5ภิกษุนี้ประกอบด้วยองค์หไม่ถือนิสัยแล้วไม่ควรอยู่คือหนึไม่รู้อุโบสถ สไม่รู้อุโบสถกรรมสมไม่รู้ปาติโมศรีไม่รู้ปาติโมขุเทศ5มีพรรษาย่อนหภาพิสุณีประกอบด้วยองค์หไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือหนึ่งรู้อุโบสถสองรู้อุโบสถกรรมสมรู้ปาติโมศรีรู้ปาติโมขุเทศ 5. มีพรรษาครบหหรือมีพรรษาเกินห้า ภิกษุณีประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5ไม่เถอนิสัยแล้วไม่ควรอยู่ค claro ือ 1. ไม่รู้ปวารณา 2. ไม่รู้ปวารณากรรมสไม่รู้ปาติโมศร 4. ไม่รู้ปาติโมขุเทศ 5. มีพันษาหย่อน5ภิกษุณีประกอบด้วยองค์5ไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือ 1. รู้ปวารณา 2. รู้ปวารณากรรมสรู้ปาติโม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 1. นตนเองก็ติเตียนตน 2. ผู้รู้ทั้งหลายคร้ครวนแล้วก็ติเตียนสกิติศัพท์อันชั่วย่อมขจรไปสหลงลืมสติตายหาหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกรรมที่น่าเลื่อมใสมีอนิสง์ห้าอย่างคือ 1. ตนเองก็ไม่ติเตียนตน 2. ผู้รู้ทั้งหลายไข้ครวนแล้วก็สรรเสริญ สาขีติศั์อันดีย่อมขจรไปสี่ไม่หลงลืมสติตายหาหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษแม่อื่นอีกห้าอย่างคือ 1. ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใส 2. บางพวกที่เลื่อมใสแล้วกลับแปรเป็นอื่นไปสมไม่เป็นอันทาตามคำสอนพระศ า, าสดา 4. ชนรุ่นหลังย่อมไม่ยึดถือเป็นแบบอย่าง 5. จิตของเขาไม่เลื่อมใสกรรมที่น่าเลื่อมใสมีอนิสงฆ์หอย่างคือ 1. ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใส 2. ผู้ที่เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปสเป็นอันทาตามคำสอนพระศ า, าสดา 4. ชนรุ่นหลังย่อมยึดถือเป็นแบบอย่าง 5. จิตของเขาย่อมเลื่อมใส ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลมีโทษ5อย่างคือ 1. ต้องอาบัตเพราะเที่ยวไปไม่บอกลา 2. ต้องอาบัตเพราะนั่งในที่ลับ 3. ต้องอาบัตเพราะอาสนะกำบัง 4. แสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน5้าถึงหคำต้องอาบัตห้ 5. เป็นผู้มากด้วยความดำริในกามอยู่ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลคลุกคลีอยู่ในตระกูลเกินเวลามีโทษหอย่างคือ 1>, 1. พบมาตุคามเป็นประจำ 2. เมื่อมีการพบก็มีการเกี่ยวข้อง 3. เมื่อมีการเกี่ยวข้องก็มีความสนิทสนม 4. เมื่อมีความสนิทสนมก็มีจิต ก, กำหนัด 5. เมื่อมีจิต ก, กำหนัดก็เป็นอันหวังข้อนี้ได้คือเธอจะไม่ยินดีประพฤหรูมจันทร์จกต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจกบอกลาสิกขาเพื่อเป็นครหัดว่าด้วยพืชและผลไม้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 สี่ผลไม้ที่ไม่มีมเมล็ด 5. ผลไม้ที่ปล่อนเอามเมล็ดออกแล้วว่าด้วยวิสุทธิ5วิสุทธิมี5แบบคือ 1. ยกนิทานขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่หนึ่งยกนิทานขึ้นแสดงยกปราชิก4ขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่สอง สยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสีขึ้นแสดงยกสังฆาทิเศส13ขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่ Node. ส <sti> 4. ยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสีขึ้นแสดงยกสังฆาทิเศส13ขึ้นแสดงยกอนิยตตาสองขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่สี่ 5. ยกขึ้นแสดงโดยพิสดารทั้งหมดเป็นวิสุทธิแบบที่หวิสุทธิแม่อื่นอีกมี5้าแบบคือ 1. สุดตุเทศอุโบสด 2. ปริสุทธิอุโบสดสอธิฐานะอุโบสดสีมสมคีอุโบสด 5. ปวารณาว่าด้วยอนิสงการทรงวินัยเป็นต้นการทรงวินัยมีอนนสงห้าอย่างคือ 1>, 1. เป็นอันคุ้มครองรักษากองศีลของตนไว้ดีแล้ว 2. ผู้ที่ถูกความรังเกียจครอบงำย่อมหวนระลึกได้ 3. กล้าพูดในท้ำกลางสง 4. o ขมด้วยดีซึ่งฆ่าศึกโดยสหธรรม 5. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมมีห้าอย่างการงดปาติโมกชอบธรรมมีหอย่างปัญจกวาระจก หัวข้อประจําวาระอาบัตกองอาบัตวินีตวัตถุอานันตฤยกรรมบุคคลที่แน่นอนอาบัตมีการตัดเป็นวินัยกรรมต้องอาบัตด้วยอาการหต้องอาบัตเพราะมุสาว่าเป็นปัจจัยภิกษุไม่เข้ากรรมภิกษุเข้ากรรมกิจที่ควรภิกษุถูกระแวงน้ำมันมันเหลวความเสือ่อมความถึงพร้อมนิสัยระงับ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 ถูลละใจทุกกฎอากัปิยะวัตถุกัปิยะวัตถุสิ่งที่ให้แล้วไม่เป็นบุญสิ่งที่บรรเทาได้ยากการกวาดการกวาดอย่างอื่นอีกถ้อยคำอาบัติอธิกรวัตถุยติอาบัติและอนาบัติปาติโมกทั้งสองอาบัติเบาจงซาฝ่ายดำและฝ่ายขาวดังข้างต้นนี้ภิกษุถืออยู่ปาถือเที่ยวบินทบาท เธอบ้าบางสกุลเถออยู่โคนไม้เธออยู่ป่าช้าเธออยู่กลางแจ้งเถอผ้าสามผืนเธอเที่ยวบินธบาตามลำดับเธอการนั่งเธออยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เอนั่งชันณอาสนะแห่งเดียวเถอการห้ามพัดที่ถวายทีหลังเถอชันข้าวเฉพาะในบาทอุโบสถปวารณาอาบัดและอานาบัด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 หหมวดล้วนที่กล่าวแล้วจบ6กฉกกะวาระว่าด้วยหมวด6อาคารวะมีหคารวะมีหวินีตะวัตุมีหสามิจิกรรมมี6สมุธานแห่งอาบัตมีห อาบัตมีการตัดเป็นวินัยกรรมมีหภพิษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการ6การทรงวินัยมีอนิสงหศสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมีหภพิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรหราตรีจีวณมี6ชนิดน้ำย้อมมี6ชนิดอาบัตเกิดทางกายกับจิตไม่จะเกิดทางวาจามีหอาบัตเกิดทางวาจากับจิตไม่จะเกิดทางกายมีห บัติเกิดทางกายวาจากับจิตมีหกกรรมมีหกมูลเหตุแห่งวิวาสมีหกมูลเหตุแห่งอนุวาสมีหกสารนิยธรรมมีหกผ้าอาบน้ำฝนยาวหกคืบพระสุคตจีวรกว้างหกคืบพระสุคตนิสัยระงนับจากพระอาจารย์มีหกอนุบัญญัติในการอาบน้ำมีหกภิกษุถือเอาจีวรที่ทำคลังไว้หลีกไปเก็บเอาจีวรที่ทำคลังไว้หลีกไป องหกแห่งพระอุปชาภิกษุประกอบด้วยองค์เพึงให้คุบุตรอุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามเณรอุปทาคือ 1. ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอาศะสองประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอาศะสามประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอาศะสี่ประกอบด้วยวิมุติขันธ์อันเป็นอาศะห้าประกอบด้วยวิมุติญาณทัศนขันธ์อันเป็นอเาศะ หมีพรรษาครบ10หรือมีพรรษาเกิน10ภิกษุประกอบด้วยองค์6แม่อีกอย่างก็พึงให้กุลบุตรอุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สัมมนเณ อ, อุปทาคือ 1. ตนเองประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเศคยะและชักชวนผู้อื่นในศีลขันธ์อันเป็นอเศคยะ 2. ตนเองประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเศคยะและชักชวนผู้อื่นในสมาธิขันธ์อันเป็นอเศคยะ 3. ตนเองประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอาศะและชักชวนผู้อื่นในปัญญาขันอันเป็นอาศะสี่ตนเองประกอบด้วยวิมมติขันอันเป็นอาศะและชักชวนผู้อื่นในวิมมติขันอันเป็นอาศะห้าตนเองประกอบด้วยวิมมติญาณทัศนะขันอันเป็นอาศะและชักชวนผู้อื่นในวิมมติญาณทัศนะขันอันเป็นอาศะ 6. เป็นผู้มีพรรษาครบสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบพิษุประกอบด้วยองค์หกแม่อีกอย่างก็พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สา ม, มเณรอุปถาคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีหิริสเป็นผู้มีโอดตะปะ 4. เป็นผู้ปรารบความเพียร 5. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น 6. เป็นผู้มีพรรษาครบสิบหรือมีพรรษาเกินสิภิกษุประกอบด้วยองค์หกแม่อื่นอีก ก็พึงให้กุลบุรอุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สา ม, มเณรอุปทาคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศีละวิบัติในอธิศีล 2. เป็นผู้ไม่มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร 3. เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นพระหูสูตร 5. เป็นผู้มีปัญญา 6. เป็นผู้มีพรรษาครบ1ิบหรือมีพรรษาเกินสิบภิกษุประกอบด้วยองค์หก แม้อื่นอีกก็พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนอุปทาคือ 1. สา ม, มารถพยาบาลเองหรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัตธิทวิหาริกผู้เป็นไข้ 2. สา ม, มารถระ ง, งับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับความกระสันสา 3. สา ม, มารถบรรเทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรม 4. รู้จักอาบัต 5. รู้จักวิธีออกจากอาบัต 6. มีพรรษาครบ1ิบหรือมีพรรษาเกิน1ิบภิกษุประกอบด้วยองค์6แม้อื่นอีกก็พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สา ม, มนเณนอุปถาคือ 1. สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัตทธิวิหาริกในอภิสมาจริกาสิกขา 2. สามารถแนะนำในอธิพรมาริกาสิกขา สามสามารถแนะนำในอภิธรรม 4. สามารถแนะนำในอภิวินัย 5. สามารถเปลื่องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นโดยธรรม 6. มีพรรษาครบสิบหรือมีพรรษาเกินสิบภิกษุประกอบด้วยองค์6แม่อื่นอีกก็เพิงให้กุลบุตอุปสมบทเพิงให้นิสัยเพิงใช้สามเณรอุปทาคือ 1. นรู้อาบัติ 2. รู้อนาบัติ 3. รู้อาบั ต, บตเบา สรู้อาบัติหนักหาจำปาติโมกทั้งสองโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดี 6. เป็นผู้มีันษาครบสิบหรือมีพันษาเกิน1ิบว่าด้วยการงดปาติโมกการงดพระปาติโมกไม่ชอบทำมีหอย่างการงดพระปาติโมกชอบทำมีหกอย่างชักวาระจบ หัวข้อประจําวาระอาคารวะคารวะวินีตวัตถุสาเมจิ ก, กรรมสมุทฐานะแห่งอาบัติอาบัติมีการตัดเป็นวินัยกรรมอาการที่ต้องอาบัติอนิสงส์การทรงวินยัยสิษยาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรนหราตรีจีวรนน้ำย้อมอาบัติเกิดทางกายกับจิตทางวาจากับจิต ทางกายวาจากับจิตกรรมมูลเหตุแห่งวิวาทมูลเหตุแห่งการโจ์ผ้าอาบน้ำฝนยาวจีวรกว้างนิสัยระงับอนุบัญญัติในการอาบน้ำถือเอาจีวรที่ทำค้างหลีกไปเก็บเอาจีวรที่ทำค้างหลีกไปประกอบด้วยศีลขันเป็นอเศะชักชวนผู้อื่นให้สมาทานในศีลขันเป็นอสศะมีศรัทธาผู้มีศีลวิบัิในอธิศศีล ภิกษุผู้สามารถพยาบาลฝึกปือในอภิสมาจารรู้อาบัติการงดปฏิโมกไม่ชอบทำการงดปฏิโมกชอบทำ